ยังทำฟาร์มอยู่อ่ะตอนนี้มีสัตว์กี่ชนิดนะยังเหมือนเดิมค่ะนันเดิมมีแพะมีแก ะ, ม, ะมีกระต่ายมีเครื่มีเด็กไปเที่ยวไปดูเล่นไปเล่นกันเยอะมั้ยเด็ก เดี๋ยวต้องขอร้องโยมถ้าเด็กร้องต้องพาไปที่จอดรถจะดีกว่านะเพราะเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องคุยธรรมะต้องเงียบๆเพราะต้องใช้สมาธิในการฟังถ้ามีเสียงรบกวนแล้วจะฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะ อันนี้มีอะไรไหมมีอะไรจะเสริมไหมมีอะไรไหมหนูไม่มีมีไหมไม่มีมีอะไรไหมก็มียุคพี่ลูกน้องอะค่ะเขาบอกว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจในที่เราสวดนะคะว่ามันแปลว่าอะไรเราถึงจะ เข้าใจแล้วลึกซึ้งกับมันกะ เ, เลยว่าบางทีเคยอ่านกคำแปลแล้วแต่ว่าเวลาสวดทุกวันเราก็จะจําไม่ได้ค่วะว่าเพราะบทนี้แปลว่าอะไรเช่นบทสดวดคาลูนี้อะไรอ๋อเราก็ต้องใช้เวลาศึกษาเหมืเงีัยเวลาสวดก็สวดไปเวลาไม่ได้สวดเราก็มานั่งอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับความหมายของบทสวดนั้นว่ากําลังสอนอะไระกําลังพูดถึงอะไร คือบทสวดส่วนใหญ่นี้จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าดงนั้นเมื่อกี้ที่เราให้เขาฟังว่าการสวดมนต์นี้ก็มีประโยชน์2ประการสวดมนต์นี้ก็เป็นการทำสมาธิขั้นต้นขั้นหยาบบางคนนี้ยังนั่งหลับตาดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้ใจยังคิดวอกแว๊กอยู่ก็มาสวดมนต์แทนถ้าสวดมนต์ไปใจก็ ไม่สามารถไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะสงบนงในระดับหนึ่งแต่ไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่หลังจากสวดแล้วต้องดูลมหายใจต่อไปแล้วนะถ้าดูลมเฉยๆเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเดี๋ยวใจจะรวมเป็นหนึ่งพอรวมเป็นหนึ่งใจก็จะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่อันนี้คือเรื่องของการสวดมนเพื่อที่จะนาพา ให้เราสามารถนั่งสมาธิต่อไปได้แต่ถ้าเราอยากจะทราบความหมายเราก็ต้องเอาเวลาที่เราไม่ได้มานั่งสมาธินี้มาเปิดอ่านมือนอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็เป็นกานอ่านหนังสือธรรมะดีๆนี่เองบทสวนแต่ละบทนี้ก็เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีความการปฏิบัตินี่ต้องมี มีสองอย่างที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ได้คือเราต้องมีความสงบเกิดจากการนั่งสมาธิสองเราต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาละต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเราว่าเกิดจากอะไร ถ้าเรามาอ่านหนังสือธรรมของพระพุทธเจ้าแนละ้วเราจะเข้าใจเราจะรู้ว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความอยากของเราเองเวลาเราอยากได้อะไรพอเราไม่ได้เราก็เสียใจทุกข์ใจขณนะที่อยากก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าอยากจะทําอะไรอยากจะดูอะไรถ้าให้นั่งเฉยๆใจจะอึดอัด แต่พอได้ไปทำตามความอยากก็จะหายอึดอัดชั่วคราวแต่มันไม่ได้หายอย่างเท้าวนเดี๋ยวก็กลับมาอยากใหม่ถ้าเราอยากจะไม่ให้ใจเรามีความทุกข์มีความอึดอัดมีความไม่สบายใจเราต้องไม่ทำตามความอยากต้องฝืนความอยากช่วงที่ฝืนมันก็จะทุกข์บ้างอึดอัดบ้างแต่ถ้าเราชนะมันความอยากมันยอมมัน สงบตัวลงใจก็จะสงบเย็นสบายแล้วต่อไปความอยากนั้นจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกนี่คือปัญญาต้องมีทั้งสองอยา่างถ้าเราไม่มีความสงบเราจะไม่มีกําลังอยู่เฉยๆสู้กับความอยากได้เราต้องมีความสงบด้วยเราก็ต้องมีปัญญาที่จะ สอนให้เราอยาไปทำตามความอยากเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็อยากไปซื้ออยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากไปซื้อซื้อแล้วเดี๋ยวมันก็อยากซื้อไปเรื่อยๆแล้วพอไม่มีเงินซื้อก็จะเดือดร้อนจะไม่สบายใจหรืออยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามความอยากของเราเราก็ทุกข์ เราก็ไม่สบายใจไม่พอใจแต่ถ้าเราเฉยๆเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการกระทาของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเขาจะอยู่กับเราก็อยู่เขาจะไปก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเรามีความอยากให้เขาอยู่แล้วเขาจะไปเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเปลี่ยนใจเราเขาอยากจะไป แล้วดึงเขาไว้ไม่ได้เขาจะไปก็ให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ยากอขานกรณีเขาจะไปต่างประเทศบ่อยคั้เราต้องเอาเราต้องต้องเอาเขาขับขึ้นมาให้ญาติเรตเดี๋ยวมันลำบากมาพูดไกลๆเอาลากศมาด้วยไม่ยากกว่าสมัยนี้มีเงินท้าอย่างง่ายไปหมด ม, ม, มันยากตรงนี้ไม่มีเงินนะ <c oughs> ที่มีเงินนี่ถ้ามีเงินไม่ยากเมาเมาเครื่องบินไปทั้งลําเลยก็ได้ถ้ามีเงินการจ่ายเทีงแว่ามันกลัวคือจิตใจมันหลบเราแย่แล้วทํางานได้ก็ไปไปเอาเข้ามาเองนะเราเอาไปให้ญาติเขาขึ้นขึ้แล้วก็ต้องมองกลับมุมถ้าเกิดเราเป็นนะ่มองกลับแล้วทำบุญดีกว่าเร ถ้าเกิดเราเป็นที่ต่างประเทศเขาก็ตรงส่งเรากลับมาหายาตเรามันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแหละเหลือเก้าสี่ห้าสิจะไปมั้งถัดเส้นบ่อยสามประเทศสี่ประเทศเรารับมีกรรมตรงนี้จริงๆแต่เลายามมีความอยากอ ย, กอยู่อยากไม่ให้มันเกิดมันก็เลยเครียดเลยทุบขึ้นม า, อ, าอยากาเข า, าแต่ว่าจะดูอะรเาอืม ใจเรามันมีความอยากเป็นตัวการตัวที่สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับพวกเราแต่พวกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวการเรากลับไปคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นตัวการที่ทำให้เราวุ่นวายใจแวลวเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วไม่ได้ดังใจเราก็ไปโทษเขาไปว่าเขาเธอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฉันถึงเดือดร้อนเพราะเธอความจริง ถ้ามองด้วยปัญญามันจะเห็นว่าเรานั่ยแหละเป็นตัวการไปยุ่งกับเขาทําไมอปัญหกให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทาไมเขาจะเป็นอะไรก็ถ้าเราไม่ไปอยากเราไม่เดือดร้อนก็ ค, คนต้องเยอะแยะเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยมันเดือดร้อนกับไ อ, คค อ, อไ้คนใกล้ตัวเราคนเดียวเนี่ยใช่ไหมใกล้คนใกล้ตัวเราสองสามคนสามีภรรยาลูกเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเดือดร้อนคนอื่นเราไม่ค่อยเดื อ, ร อ, อดอร้อนกับเขา เพราะเราไม่มีความอยากกับเขาวันหนึ่งเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เดือดร้อนเพราะเราไม่สนใจแต่คนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยสามสี่คนเนี่ยสามีภรรยาบุตรธิดาเดือดร้อนกันแค่แค่สามสี่คนเนี่ยดูลึกๆแล้วถึงจะเข้าใจว่าความวุ่นวายใจความเดือดร้อนใจของเราเนี่ยอยู่ที่ความอยากของเรา นอกจากเดือดร like we so ้อนกับคนแล้วก็เดือดร้อนกับของกินของใช้เพราะอยากกินอยากใช้เวลาไม่มีกินไม่มีใช้ก็เดือดร้อนเพราะไม่เคยอยู่แบบไม่มีกินแบบไม่มีใช้เรามาอยู่แบบพระดูกินตามมีตามเกิดใช้ตามมีตามเกิดมีก็กินไม่มีก็ไม่กินมีมีของใช้ก็ใช้ไม่มีใช้ก็ไม่ต้องใช้เหมน ใจก็จะไม่เดือดร้อนนี่ก็คือความอยากอยากใช้ของอยากกินอยากดื่มของต่างๆอยากดูอยากฟังเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ทำตามความอยากก็หงุดหงิดตำคาญใจเราถ้าเรามากําจัดความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้แล้วใจเราจะสบาย จะเย็นจะสงบจะอิ่มจะพอไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ไม่ไปเพราะห้ามมันไม่ได้ทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แล้วไปเดือดร้อนกับมันทำไมเดือดร้อนก็ไม่ได้ไปทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็ต้องปล่อยมันไปตามความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่สามารถที่จะไปดูแลรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยถ้ายังดูแลรักษาได้ก็ดูแลไปรักษาไปเช่นเวลาไม่สบายถ้าไปหาหมอหายามารับประทานได้ก็ทำไปแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ปล่อยมันไป ก็ในที่สุดมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนตายช้าตายเร็วถ้ามีหมอมียาก็ช้าหน่อยถ้าไม่มีหมอไม่มียาก็เร็วหน่อยคนสมัยก่อนเขาไม่มีโรงพยาบาลเหมือนเราสมัยนี้ไม่มีรถพยาบาลไม่มีเครื่องม้เครื่องมือไม่มีอยู่ไม่มียาเขาก็อยู่ของเขาได้เขาก็ตายเขาก็ตายเหมือนกันเรา เขาก็อยู่เหมือนกับเราเแต่ว่าเขาอาจจะตายง่ายตายสะดวกตายเร็วกว่าเราพวกเราตายช้ากันพราะเรามีสิ่งที่จะมาะชะลอมันแต่ก็มองในทางกลับมันก็อาจจะทรมานมากกว่าบางคนนี่นอนในโรงพยาบาลเป็นเดือนว่าจะตาย ถ้าไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลก็วันสองวันก็ไปแล้วอย่างไรดีกว่ากันก็ไปเหมือนกันไปช้าไปเร็วแต่ถ้าคนไม่มีความอยากแล้วจะไปช้าไปเร็วก็ไม่เป็นปัญหาเลยใจเขาแยกออกจากร่างกายได้ใจเข้าเข้าไปในสมาธิแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไป ต่างฝ่ายต่างอยู่กันแต่คนที่ไม่มีความอยากความอยากมันจะดึงใจมาติดอยู่กับร่างกายให้มาคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเจ็บนิดเจ็บหน่อยใจก็เจ็บตามไปด้วยก็เลยทรมานไปกับความเจ็บของร่างกายพออยากให้ความเจ็บหายไป ความอยากให้ความเจ็บหายไปเลยสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเจ็บกายแล้วไม่พอต้องมาเจ็บใจด้วยฉะนี้นเคยเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาเสียอะไรไปเสียของหรือเสียคนแล้วยังไม่พอต้องมาเสียใจอีกชั้นหนึ่งด้วยนี่คือคนโง่เสียสองต่อเช่นเสียแฟนไปแล้วก็ยังมาเสียใจ แต่ถ้าคนมีปัญญาก็มองว่ามันเป็นอนิจจังมองว่าเขาไม่ได้เป็นของเราถึงเวลาเขาจะไปก็ไปเขาไม่ได้เป็นของเราเขาจะไปเป็นของคนอื่นได้เขาไปเราก็จะเสียเสียคนเสียแฟนเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่เสียใจแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็หลงคิดว่าเป็นแฟนของฉันต้องอยู่กับฉันไปจนวันตายพอเขาไปก็ เสียใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเสียสองต่อครับถ้าเรามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเสียต่อเดียวคือใจเราจะไม่เสียของทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องเสียหมดไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง คนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ร่างกายอันนี้เอาไปไม่ได้เลยถึงเวลาที่จะต้องทิ้งต้องทิ้งหมดแล้วถ้ายังอยากให้อยู่ต่อไปมันก็จะทุกข์เพราะความอยากนี้คือต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจนี่คือหัวใจคำของคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนที่อริยสัจ ส, สีความจริงสี่ประการความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่การพัดพากจากกันเวลาทุกเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาพัดพากจากกันนี้จะมีความทุกข์มากแล้วต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็คือความอยากไม่ให้จากกันอยากให้อยู่ ต่อไปอยากให้อยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วการที่จะทําให้ความทุกข์ใจนี้หายไปก็ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของทุกของเรากับของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของชั่วคราวเรามาได้ร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวเราได้ทรัพย์สมบัติเ้าของเงินทองก็เป็นของชั่วคราว เราได้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆก็เป็นของชั่วขา่าวเดี๋ยววันหนึ่งก็จะต้องจากกันถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราก็จะละความอยากให้อยู่ร่วมกันไปตลอดได้พร้อมที่จะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเวลาจะต้องเกิดโดยที่ไม่ไปต่อต้านไม่ไปมีความอยากไม่ให้เกิดขึ้น พอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ได้แก่ความอยากต่างๆนิโรธคือการสิ้นสุดของความทุกข์เกิดจากมรรคคือสติปัญญาเกิดจากสมาธิทำไมต้องมีสมาธิเพราะถ้าไม่มีสมาธิ ถึงแม้มีปัญญาก็ทาใจไม่ได้ตอนนี้เรามีปัญญากันเยอะรู้หมดว่าต้องตายต้องจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราแต่ยังปล่อยไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะปล่อยกำลังยึดติดมันมีกำลังมากกว่าแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะมีกำลังมากกว่าการยึดติดเราจะมีกำลังมากกว่าความอยากเราก็จะ หยุดความอยากได้หยุดการยึดติดได้พอเราไม่ยึดติดเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ถุกหน้าที่ของพวกเราก็คือมาสร้างสติสมาธิปัญญาเนี่ยสตัวนี้สร้างสติเพราะถ้าไม่มีสติจะไม่มีสมาธิใจจะสงบไม่ได้ใจจะนิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีสติ ต้องมีสติก่อนมีสติแล้วก็จะได้สมาธิใจก็จะนิ่งจะวางเฉยได้พอมีสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาขึ้นมาให้รู้ว่าการทำตามความอยากการสร้างความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์เวลาจะอยากอะไรนี่ต้องหยุดความอยากอยากให้เขาอยู่กับเราแต่เขาจะไปถ้าอยากให้เขาอยู่ แล้วเขาจะไปก็จะทุกข์ถ้าหยุดความอยากให้เขาอยู่ได้เขาจะไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ามีสมาธิก็หยุดได้ถ้ามีปัญญาก็รู้ว่าต้องหยุดความอยากต้องมีสองอย่างถ้ามีสมาธิก็จะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเวลาเกิดความอยากก็จะทาตามความอยากเวลาทาตามความอยากเวลาได้ได้ ได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่ทุกข์แต่เวลาที่อยากแล้วไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความอยาทุกข์ของเราคือก็คือความอยากของเรานี่เราต้องเอาความรู้อันนี้ของพระพุทธเจ้านี้มาใช้ต่อสู้กับความอยากของเราเว <Rand all> ลาที่เราไม่สบายใจนี่ไม่ต้องไปโทษใครโทษความอยากของเรา ถามเลยว่าตอนนี้เรากําลังอยากกับเรื่องอะไรอยู่ล้ากาลังทุกกับเรื่องอะไรทุกขกับลูกทุกขกับสามีทุกกับภรรยาทุกขกับเงินทองทุกขกับอะไรถ้ามองดีๆจะเห็นว่าความอยากของเราเองอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกขึ้นมาคนที่มีปัญญานี่ยจะค้นหาสาเหตุหาที่ความอยาก ไม่ไปโทษสามีไม่ไปโทษภรรยาไม่ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคน น, นี้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาตัวปัญหาก็คือความอยากของเราเนี่เองเพราะมันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราปัญหาของเรามันอยู่ที่ต้องทุกข์หรือไม่ทุกข์นี้เท่านั้นเองถ้าเราไม่ทุกข์ทุกอย่างก็จะไม่เป็นปัญหาถ้าเราทุกข์ทุกอย่างก็เป็นปัญหาไปหมด ถ้าเราอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์เ้ยเราอยากไปอยากเราต้องเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอยาก่างมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามหน้าที่ได้อยู่แต่อย่าไปทำตามความอยากเช่นมีหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายก็เลี้ยงเหมือนไปหาอาหารให้มันรับประทานเมื่อถึงเวลาแต่อย่าไปรับประทานตามความอยากให้รับประทานเหมือนรับประทานยา ยานี้เราไม่ไม่มีใครรับประทานด้วยความอยากอยาเรารับประทานเพราะมันถึงเวลาต้องรับประทานอาหารนี้ก็เป็นเหมือนยายาไปรับประทานตะด้วยความอยากถ้ารับประทานด้วยความอยากมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะเวลาอยากรับประทานแล้วไม่ได้รับประทานก็จะทุกข์แต่ถ้าเรารับประทานตามตามเวลา ถึเวลาก็รับประทานถ้าไม่มีรับประทานก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่รับประทานอย่างมากก็แค่ตายในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้มันก็ต้องตายไปนี่คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ต้นเหตุของความทุกข์และอยู่ที่ต้นเหตุของการดับความทุกข์ ต้นเหตุของความทุกข์เรามีอยู่แล้วแต่ต้นเหตุที่จะดับความทุกข์นี้เราไม่มีกันเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญากันเราจึงต้องมาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้ดับความทุกข์ได้ คำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมุ่งไปที่มรรคเป็นหลักสอนให้พวกเราทำบุญทำทานรักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ไม่ให้มีความอยากพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเราจะเฉยๆไปใครจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาใครจะมาใครจะไปก็เรื่องของเขาร่างกายจะมาจะร่างกายจะไปก็เรื่องของมันไม่เดือดร้อนถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราจะควบคุมใจของเราให้อยู่เฉยๆได้ไม่ให้มีความอยากได้ นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีการขาดกันคือศีลสมาธิปัญญาเราจึงต้องมาฟังเทศเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างเมื่อดูแล้วเราก็นำออกไปทำศีลนี่ก็ต้องเป็นศีลระดับของนักบวชศีลแปดขึ้นไปถึงจะเอามาใช้ประโยชน์กับการละความอยากได้ ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพราะเราสามารถไปทากิจกรรมอย่างอื่นได้แต่พอเราต้องรักษาศีลแปดเราก็จะไม่สามารถไปทากิจกรรมต่างๆได้เช่จนจะไปดูมหโหสถ บ, บันเทิงก็ไปไม่ได้จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็ไปไม่ได้จะนอนมากเกินไปก็นอนไม่ได้ การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทำไม่ได้เสียเวลาเอาเวลาไานั่งสมาธิดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมดีกว่านั่งสมาธิก็จะมีกำลังหยุดความอยากฟังเทศฟังธรรมก็จะรู้จักวิธีดับความทุกข์ด้วยการค้นหาสาเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากพอรู้ว่านี่คือสาเหตุก็หยุดมันท่านนั้นเอง พอรู้ว่าไม่สบายใจเพราะว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรารู้ว่าเราไม่สบายใจเพราะเราไปอยากเองถ้าเราหยุดความอยากเสียเราก็จะหายจากความไม่สบายใจนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องของการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เราจะไม่สามารถที่จะมารับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เช่นสัตว์ที่อยู่ในป่านี้เขาไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลยเขาอยู่ใกล้ศาสนาแต่เขากลับไม่ได้รับประโยชน์เพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ผู้ที่จะเข้าถึงนี้จะต้องอฟังภาษารู้เรื่อง เช่นถ้าคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยคนที่จะศึกษาก็ต้องรู้ภาษาไทยถึงจะศึกษาได้แต่สมัยนี้เขาก็มีการแปลให้ต่างชาติความจรงศาสนาพุทธนี้คำภาษาที่สอนนี่ก็ไม่ใช่เป็นภาษาไทยเริ่มแรกเดิมทีก็เป็นภาษาบาลีในสมัยพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลี แล้วก็ได้มีการจดจำกันมาท่องกันมาแล้วก็บันทึกเป็นหนังสือแล้วต่อมาก็มีผู้ที่มาแปลภาษาจากบาลีไปเป็นภาษาต่างๆเป็นภาษาไทยภาษาพมา่าภาษาลาวภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันเดี๋ยวนี้ชนชาติต่างๆจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ แล้วก็พอศึกษาแล้วก็จะได้นำออกไปปฏิบัติต่อการปฏิบัตินี้ก็ไม่มีที่ไหนที่จะมีที่ปฏิบัติดีเท่ากับเมืองไทยชาวต่างประเทศเขาศึกษาแล้วแต่เขาไม่มีที่ปฏิบัติเขาก็มาปฏิบัติที่เมืองไทยกันมาบวชเพราะการปฏิบัติที่จะได้ผลมากที่สุดที่สะดวกที่สุดก็คือการบวช ว่เาเมื่อ บ, บวชแล้วจะไม่ต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นจะมีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้ายังไม่บวชนี้ยังต้องเลี้ย ง, งปากเลี้ยงท้องเองต้องทำมาหากินก็เวลาก็จะหมดไปกับการทำมาหากินเวลาก็จะไม่พอชาวต่างชาติหลังจากที่เขาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเขารู้ว่าถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่นี้จะต้องบวช บวชแล้วก็ต้องมี ม, ม, มีที่บำเพ็ญมีแล้วมีประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่มีการปฏิบัติมีการบวชกันเป็นธรรมเนียมชาวต่างชาติก็เลยมาศึกษาจากพระไทยสมัยแรกนี้ก็หลวงปู่ชาเนี่ยมีพระชาวต่างประเทศอาจารย์สุเมโตองค์แรก เป็นชาวเมริกันเมื่อก่อนนี้ท่านทํางานอาสาสมัครเป็นพิสคออยู่ที่ญี่ปุ่นบ้แล้วหลังจากนั้นท่านได้ศึกษาพุทธศาสนาแล้วมีคนแนะนําว่าถ้าอยากจะบวชเป็นพระก็ต้องมาเมืองไทยท่านก็เลยมาแล้วก็ได้พบหลวงปู่ชาได้บวชอยู่กับท่านพอท่านบวชได้สักสิบกว่าพรรษาก็มี ญาติโยมทางประเทศอังกฤษมานิมนต์ให้ท่านไปเผยแผ่สั่งสอนอันก็เลยไปสร้างวัดที่ประเทศอังกฤษก็มีชาวอังกฤษได้ไปศึกษาปฏิบัติได้บวชกันบางคนบวชแล้วก็มาอยู่เมืองไทยเพราะว่าอยู่ที่อังกฤษบรรยากาศมันไม่เหมือนกับเมืองไทยสําหรับการบวชเมืองไทยนี่มันเข้มข้นกว่ามีป่ามีเขา มีคู่ที่สนับสนุนคือพระจะไปอยู่ในป่าในเขาตามลำพังก็ไม่ได้ถึงแม้จะอยู่ป่าอยู่เขาก็ต้องอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่พอที่จะมีที่บินทบาตส่วนถ้าอยู่ต่างประเทศนี้จะไม่มีศรัทธาญาติโยามสนับสนุนเหมือนเมืองไทยเพราะชาวต่างชาติเขามีาศาสนาของเขามีชาวที่เป็นชาวพุทธนิดน้อย ถ้าจะรอให้ชาวพุทธที่อยู่ต่างประเทศสนับสนุนพระก็จะไม่พอก็มาอยู่เมืองไทยดีกว่าเมืองไทยนี่มีญาติโยมสนับสนุนพระเป็นจํานวนมากไม่อดอยากขาดแคลนสะดวกสบายพวกเราถ้าอยากจะไปนิพพานกันอยากจะปฏิบัติธรรมเนี้พวกเราม า, มาเกิดในที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว เป็นประเทศที่ดีที่สุดต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมแต่พวกเรามักจะอยู่เหมือนแบบอยู่ใกล้เกลือกินด่างกันกลับไม่เห็นคุณค่าของของพระพุทธศาสนากลับไม่เห็นคุณค่าของการบวชของการอยู่ป่าอยู่เขากลับไปเห็นคุณค่าของด่างหรือถ้าเป็นไก่ก็ไก่ไก่ไก่ได้ปล่อย ไก่ได้พลอยแต่กินพลอยไม่ได้ก็เลยโยนทิ้งไปชอบต้องคุยหาไส้เดือนหาตัวหนอนมากินพวกเราได้ศาสนาพุทธก็เหมือนกับได้พลอยได้เพชรแต่เรากลับไปหาไส้เดือนคือหาลาบยศสารเสริญสุขกันหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาคนนั่นคนนี้มาให้ความสุขกันแต่มันก็เป็นความสุขแบบไส้เดือน ชั่คราวเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็เบื่อไม่สู้ได้พลอยไม่ได้ได้พลอยแล้วมันจะพอไปตลอดเพราะพลอยเม็เดหนึ่งนี้ซีสซเดอนได้เป็นเป็นแสนตัวเลยกินไปจนมันตายก็ไม่มีวันหมดถ้าได้นิพพานแล้วก็อิ่มสบายไปตลอดแต่กับไม่ชอบกันกับชอบราบยศสรรเสริญกัน ที่ไหนมีเงินได้เงินนี่โอ้ยไปกันหมดเนี่ยนี่ถ้าใครปากเข็นประกาศว่าใครต้องการเงินมาที่นี่รับรองได้โอ้โหเดีวมากเป็นแสนถ้าใครต้องการนี่พานมาที่นี่ไม่มีมาเลยนะนี่ก็พูดให้เราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและคุณค่าของชีวิตของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา อย่างที่เายยกตัวอย่างว่าตอนนี้เราเหมือนได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเพียงแต่ไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเองเรายังไม่ไปขึ้นกันเลยนะการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือการไปปฏิบัตินะไปศึกษาวิธีขึ้นรางวัลนะวิธีขึ้นรางวัลก็คือให้ทิ้งข้าวของเงินทองแล้วก็ไปบวชนะไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา พอได้สติสมาธิปัญญาแล้วก็วจะได้นิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือวิธีขึ้นขึ้นรางวัลรางวัลที่หนึ่งรเราที่ได้มาเกิดในเมืองไทยได้เป็นมนุษย์ได้เป็นชาวพุทธนี่ถือว่าได้ถูกตะเล่รางวัลที่หนึ่งแล้วยังแต่ต้องไปขึ้นรางวัลก็ไปขึ้นกันนะให้รีบไปขึ้นกัน อย่าเอาเงินทองไปเที่ยวกันเอาเงินทองไปทำบุญให้หมดจะได้ไปบวชได้ถ้ายังมีเงินเที่ยวอยู่มันก็บวชไม่ได้นี่ให้ทำบุญนี่ไม่ใช่แลจะได้ไม่มีเงินเที่ยวกันเขาใหญ่ไหมไมันมีเงินซื้อข้าวซื้อของกันอ่อเราไม่มีเงินก็ไปบวชอย่างเราก็เหมือนกันเนี่ยที่เรามาบวชเพราะเราไม่มีเงินจริงๆถ้ามีเงินเราก็ยังไม่บวชอ่ นะก็ขอให้เรามีความยินดีกับภบชาติ น, นี้ น, ะนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งนะที่ได้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ถูกกอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแนละ้วอย่าปล่อยให้รางวัลที่หนึ่งนี่หล่นมือไปรีบไปขึ้นรางวัลเสียเพราะเดี๋ยวมันจะหมดอายุได้นะรางวัล น, นี้ก็มีวันหมดอายุ น, ะนันก็คิว่าพอสมควรในช่วงแรกนี้ก็จะอนุโมทนาให้พย เป็ น, นอน ะ, นนนอะไรนี่รถนกากถ้าเว่ามาทุกวันอจะทำาห้ดีอยูยูทด้วย เ, เออเออออกปนี้แ้วก็ฟังย u ท u b e ลฟ์ทุกวัไนได้ติดตามที่บ้านก็ได้นะครับข้นในนตอนนี้ผมรู้สึกอยากบวช น, นี่ราคาเนี้ยคือในใจยังสงสัยว่าจะเป็นนางร้ายหรือลางดีหรือว่า ม, มันมาเกิดขึ้นที่ใจ อ, อะไรคือการการที่เราจวดนีสง สมุดเป็นลงังแบบว่าเนี่ยมันอ็แน่จะเสียหรือว่าอะไรนะ อ, อ๋อไม่เกี่ยวอยากจะบวชนี่เป็นของดออีมันอยากจะมีแฟนนี้ออมันไม่เกี่ยวกับพ่อแมก่กับคนนั้นคนนี้หรอกความอยากของเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับความดีชั่วของคน อ, อื่นมันเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงอยากทําดีก็จะได้ดีอยากทําชั่วก็ได้ชั่วอยากได้เมียก็ได้เมีย อยากได้นิพพานก็ได้นิพพานอยู่ที่เราอยากจะได้อะไ ร, รอยากให้บรารแนะนำวิธีต่อสู้กับเวทนาเลยค่ะือว่าเราต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติ อ, อย่าไปสนใจเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินเนี้ยมันจะเสียงดีเสียงชั่วเราอย่าไปสนใจเราอยู่กับพุทธโธไปแล้วมันจะไม่มาทำให้เราใจเดือดร้อนแต่ถ้าเราไปอยู่กับเสียงเดี๋ยวเราจะทนไม่ได้ เวลามีเวทนาอย่าไปอยู่กับเวทนาให้อยู่กับพุโทโธเราในการพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเวทนามันจะไม่มาทำให้ใจเราเสียได้หนังสือซีดีหยิบได้นะเล่นตามสบายหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์นี่มีประโยชน์นะเพราะเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติยังไง เป็นตัวอย่างเราสามารถนามาไปใช้กับการปฏิบัติของเราได้พร้อมจะมีอุบายของทางปัญญาเยอะแยะไปหมดวิธีที่เราจะเอาปัญญามาต่อสู้กับกิเลสถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังอุบายของผู้ที่ปฏิบัติผ่านมาแล้วเราจะไม่รู้เหมือนมีเทคนิคต่างๆ อย่างที่เราเรารู้เรารู้คร่าวๆว่าความอยากเป็นต้นเหตุของเราแต่บางทีเราไม่รู้ว่าจะจะค้นคว้าอย่างไรถึงจะเจอว่ามันเป็นความอยากอันนี้แล้วจะเอาวิธีไหนมาหยุดความอยากอันนี้ก็มันเช่อยากกินข้าวแต่ไปพิจารณาอาสุวภาคนี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากจะกินข้าวก็ต้องไปพิพจารณาความสกปรกของข้าวของอาหารที่เรากินเข้าไป พอเห็นภาพที่โสกปกของอาหารก็ไม่อยากจะกินลวถ้าอาสุภะนี้ก็ต้องใช้กับเวลาเกิดการมอารมณ์เวลาเห็นใครหน้าตาสวยงามอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ให้คิดถึงเขาตอนที่เขาเป็นซากสดแลือดดูอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาอาการที่อยู่ในร่างกายเช่นปอดตายหัวใจ ลำไส้โพงกระดูกนี้ถ้าเห็นส่วนเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้ความอยากหายไปหยุดได้นั้นต้องอ่านหนังสือเหล่านี้พราท่านจะเล่าวิธีการปฏิบัติของท่านว่าท่านผ่านอุปสรรคแต่ละขั้นท่านผ่านกันอย่างไรอังดน่อย่ก่ น, นี่ น, น้ำอังดังหน่อยสิเม่ก่อนนี่น้ำนะคะ ท่านท่านเดื่มน้ำอะไรกันคะท่านก็ดิ่นท่านก็ดื่มน้ำถ้าไปอยู่ในอยู่ในป่าก็ดื่มน้ำลำธารนําห้วยท่านต้มปลาท่านก็ต้องถ้าท่านมันมีไข้ปลาท่านก็ต้องกองก่อนแล้วก็มาต้อมอีกทีส่วนใหญ่พระที่อยู่ป่าท่านมักจะดื่มน้ําสมุนไพรกันท่านจะรู้มีรากไม้ชนิดนั้นอ่า มาต้มกับน้ำดื่มเหมือนดื่มน้ำชาอย่างนี้ไปเป็นประโยชน์เป็นทั้งยาและเป็นเป็นเป็นน้ำดื่มในตัวแต่น้ำนี้จะต้องตัดขึ้นมาจากลำห้วยนะก็ต้องมีที่กรองน้ำตัดขึ้นมาจะมีเครื่องเครื่องที่ตัดที่เป็นมีกองมีที่มีตัวกองตัวสัตว์อยู่มันจะเอาแต่น้ำขึ้นมาแล้วมันไม่เอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วย อ๋อในน้ำในป่ามันจะมีอาจจะมีตัวสัตว์เช่นมีลูกน้ำมีอะไรพยายาื้นหญาสาพัดไถ่าื้นท่านก็อยู่ของท่านมาได้นำเอาธรรมะอันประเสริฐของพระุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราได้แม้นท่านจะต้องมีน้ำขวดเป็นพวกเราเดินมกันได้เลย ไเห็นต้องมีรถยนต์รถเก๋งมีอะไรต่างนนๆนานาเหมือนพวกเรามีกันสะดวกใช่ยิ่งมีมากยิ่งทุกมากมยิ่งทําให้ติดยิ่งทําให้ขี้เกียจถ้าไม่มีสตางค์ก็อยู่ได้นะเพราะว่าไม่มีสตางค์จ่ายค่าน้ําเขาก็มายกออมิเตอร์ไปืตเราต้องลอง น, น, น้ําฝนฉาบก็ฟื้ อาจารยะโยมมีโอกาสได้อ่านท่านสื่อฟอเรสเทศนาที่ป้าจานไทรสเลตของหรวงตามหาบัวคะ่ะอันนั้นก็เป็นคู่มือนในการปฏิบัติที่ที่ดีมากๆเหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับสําหรับโยมพวกโยม น, นี้คะ่ะเป็นเป็นพอดีช่วงนั้นเราก็ <c oughs> อยู่ศึกษากับท่าน <c oughs> แล้วท่านก็มีชาวต่างประเทศมาบวชอยู่ด้วยสี่ห้ารูปแล้วเวลาท่าน เทศสอนพระท่านเทศเป็นภาษาไทยพอท่านเทศเสร็จแล้วท่านก็ให้ชาวต่างประเทศพระชาวต่างประเทศที่มีอาวุโสที่พอจะเข้าใจภาษาไทยให้แปลหรือให้เล่าให้ฟังว่าที่ท่านได้เทศไปเนี้เทศอะไรบ้างท่านก็เล่าแบบสรุปสรุปก็ท่านเทศประมาณสี่สิบสี่ห้านาทีท่านก็สรุปไปประมาณสินาที เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะแปลให้มันครบทุกคำเลยเราก็เลยเอาเอาเทปที่อัดเสียงเทศนั้นมาเปิดกับเครื่องหนึง่งแล้วเราเอาเครื่องอัดเครื่องอัดเทปอีกเครื่องหนึง่งพอเราเปิดฟังภาษาไทยได้ประโยคนึงล้วก็ปิดแล้วเราก็มาพูดเป็นภาษางกษใจเครื่องนึง ก็เลยเป็นวิธีที่แปลง่ายมันสะดวกไม่ต้องมานั่งอ่านไม่นั่งอ่านนะนั่งอ่านนั่งเขียนใช้ฟังใช้พูดเอาเออฟังภาษ<ม>าไทย<ม>สักประโยคหนึ่งแล้วสองสามประโยคแล้วก็เราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษใส่เครื่องอัดอีกเครื่องหนึ่งสมัยก่อนเป็นใช้เครื่องแคสเซตยังไม่มีซีดีไม่มีอะไรแล้วพอพอได้เสร็จแล้วก็มีพระชาวต่างประเทศรูปหนึ่งท่าน นำเอาไปถอดออกมาเป็นเป็นอักษรมาพิมพ์เป็นตัวอักษรแล้วท่านก็ช่วยเช็คแกมมาให้หน่อยแล้วอาจจะตัดแต่งประโยคบางประโยคอะไรให้มันชัดเจนขึ้นอะไรก็เลยได้เป็นหนังสือมาช่วงนั้นก็มีอยู่ประมาณสักยี่สิบการเทศ เ, เป็นปีสองเท่าไหร่นีสองสี่สองห้าเนี่สอง พอดีเชี่นั้นเราก็อยู่พอดีเราก็ฟังเทศเหล่านั้นด้วยก็สายทาเทศเหล่านั้นมาเป็นเป็นอุบายในการปฏิบัติธรรมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมายได้ได้ได้ไดนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอันนี้ก็มีอยู่ในในเว็บไซต์ใครต้องอ่านด้วยผ่านเสียงอ่านที่สามารถฟังได้เสียง่านกเสียงเรา เาอ่ก็เสียงเนี่ยที่เราอ่ที่เราอ่านเข้าไปในในในที่เราฟังภาษาไทยเสร็จแล้วก็อ่านเข้าไปแล้วก็พูดเข้าไปในในีกทีแต่ตอนหลังนี่มามามาแก้ใหม่เอาเอาที่ ที่ถอดออกมาเป็นภาษาที่เขียนเป็นนั้นมาอ่านใหม่ที่นึ่อ่านกลับเข้าไปอีกทีเพราะตอนที่แปลสดๆนี่มันการม้งการ์มาอาจจะถูกบ้างผิดบ้าง plural singular นี่เราชอบมั่วเราไม่ค่อยเขาพอก็เลยเขาเลยถอดออกมาแล้วก็แก้แการ์มาให้หน่อยเสร็จแล้วเราก็เอามาอ่านกลับเข้าไปใหม่โอเค ก็เข้มข้นมากเพราะนั่นท่านสอนพระท่านไม่ได้สอาไม่ได้พูดถึงเรื่องธรรมทางเรื่องรักษาศีลท่านจะเรือกแต่ทูดงขวัตเรื่องต่อสู้ทุกเวทนาเรื่องต่อสู้ความตายเรื่องต่อสู้กับกิเลสต่างๆถ้าคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะชอบเทศเหล่านี้ถ้ายังไม่ปฏิบัตินีนอ่านแล้วยังจะไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึง มีนะหนังสือเดี๋ยวไปดูที่ศาลานี่ก็มีก็ดาวน์โหลดมานี่ที่พิมเป็นหนังสือมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยรื่อวบอกกับท่านอีเวก็ได้ถ้าต้องการที่ศาลาก็มีศาลาที่หอฉันตอนเช้าที่เป็นพิมพ์เป็นหนังสือเสร็จแล้วมีเอาไปอ่านได้ที่ศาลานี่ก็มีแต่จะต้องค้นดูไหนว่าอยู่ในยังไงพวกเราก็ทำซีรีส์นะท่าอะพวกเราก็ทำ ก็ทาแบบปฏิบัติธรรมกันซีเรียสมคนะาก็แล้วแต่ซีเรียสขนาดไหนไงเอามาซีเรียสแล้ก็มีใบซีเรียสแบบยังมีแฟนอยู่ยังไม่ซีเรียสเต็มทีก็ไม่ได้ให้ทิ้งเพีว่ามันยังไม่ได้ซีเรียสเต็มรอย อย่าไปหลองตัวเองว่าคิดว่าเราซีเรียสซีเรียสต้องมาบวชเอซีเรียสเกือบซีเรียสจะดถามอะไรปะปัญญาที่ท่านพระอาจารย์บอกที่ที่หยุดความอยากต้องมาจากการภาวนาอย่างเดียวช่ไมไม่หรอกก็จากการที่เราดูอะไรต่างๆเลยดูความจริง คือปัญญานี่เป็นการศึกษาความรูนะ้เหมือนกับเราศึกษาวิทยาศาสตร์เราศึกษาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาสิ่งที่ผู้าให้ศึกษามีสามประเด็นนั่นเองความไม่เที่ยงให้เราศึกษาให้เราเห็นว่าทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงทนะั้งนั้นมีเกิดมีดับมีมามีไปแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นธรรมชาติมันเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เสมออาจจะบังคับได้บางเวลาควบคุมได้บางเวลาแต่เราจะสักวันหนึ่งจะบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้เช่นร่างกายของเราเนี่ยเราควบคุมได้ในระดับหนึ่งให้มันกินให้มันนอนได้ให้มันเดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่สักวันหนึ่งมันก็จะควบคุมไม่ได้เวลามันไม่สบายขึ้นมา เวลาเป็นพิการขึ้นมาเนี่ยนี่คือประเด็นที่เราต้องศึกษากับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยสิ่งที่เราถือครอบครองอยู่เนี่ยที่เราคิดว่าเป็นของเราที่เราคิดว่ามันจะเที่ยงเนี่ยต้องมาแก้มามองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเช่นร่างกายนี้ท่านให้พิจารณาเรื่อยๆว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ตอนนี้เราเราก็รู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ยังไม่ถึง ยังไม่ถึงเห็นถึงแก่นของความจริงเห็นแต่ยังไม่ยอมรับความจริงเห็นแล้วแต่ยังไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายกันถ้าเห็นความจริงแล้วมันต้องยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเพราะไม่มีทางเลือกมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือการพิจารณาทางปาัญญาต้องพิจารณาทั้งใจเรายอมรับความจริงต้องปล่อยมันให้ได้ถ้าเรายอมรับแล้วเราจะไม่ทุกข์กมัน เวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเร็งเราก็จะเฉยๆไปหาไมอไปหาหมอไม่ได้ไปถามว่าจะตายหรือไม่ตายเรื่องตายนี่รู้ตายแน่ๆอยู่แล้วที่ไปหาก็ดูว่ารักษาได้หรือรักษาไม่ได้เท่านั้นแต่พอหมอบอกรักษาไม่ได้จะต้องตายถ้าคนไม่เคยพิจารณาเรื่องความตายเลยก็จะเป็นลมเลยแต่คนที่เขาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเขาเตรียมเตรมรับกับความจริงไว้ พอหมอยืนยันว่าต้องตายก็โอเคไม่เป็นไรผมรู้แล้วผมเพียงแต่มาเช็คดูอีกทีว่าจะไปจริงหรือเปล่านั่เลยเนี่น่หละคือการศึกษาด้วยปัญญาต้องใช้ความคิดนี่แหละคิดอยู่เรื่อยๆคิดจนกระทั่งใจเรายอมรับความจริง ค, คือพอหัวเราพิจารณาในการคิดนะครับคิดไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะยอมรับความจริงมันจะรู้สึกขึ้นมาจากใจเอแล้วมันจะหายกลัวมันจะหายทุกข์กับความมันไม่ใช่เพราะว่าปกติเมื่อเราคิดอย่างนี้มันจะรู้เรารู้แต่ว่ามันไม่เลื่อนรู้มาจากใจของเราถ้าบางทียังสงสัยก็บางทีต้องไปทดสอบดู่พาร่างกายไปทิ้งไว้ในป่าให้มันตายแล้วดูซิว่าเราจะเให้มันอยู่ในป่าได้ไหมพามันไปอยู่ที่เรากลัวะกลัวที่ตรงไหนก็พามันไปที่ตรงนั้น แล้วไม่ออกมาจนกว่าจะหายกลัวถ้าหายกลัวก็แสดงว่ายอมรับความจริงได้ละยอมให้มันตายได้ละเช่นเดียวกับความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อย่าไปอย่าไปลู้จนกว่าจะหายกลัวถ้ายังกลัวความเจ็บอยู่ก็อย่าเพอย่าไปลูกนั่งไปจนกระทั่ง ม, มันไม่กลัวความเจ็บอยู่กับความเจ็บได้เมื่ออยู่ความเจ็บได้ต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็จะไม่ทุกข์ พราะเราอยู่กับความตายได้อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความแก่ได้ใจเราไม่ต่อต้านใจเราไม่ฝืนความจริงอันนี้ใจเราฝืนความจริงกันทุกคนไม่ยอมรับไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายพอเพียงแต่คิดก็ทุกข์แล้วถึงไม่มีใครอยากจะคิดเนี่ยองค์ประสาทของการเจริญปัญญาก็อยู่ตรงเนี้ใจของคนถูกกิเลสข้อบงำจกระทั่งไม่ยอมไม่ยอมมองความจริงกัน เมื่อไม่มองความจริงมันก็เลยลืมความจริงไปแล้วพอต้องไปเจาะเอกกับความจริงก็เลยตกใจกันฮะเห็นไหมเป็นข่าวใหญ่ไหมพอคนนั้นคนนี้ตายขึ้นหน้าหนึ่งเลยมันจะไปขึ้นหน้าหนึ่งทําไมมันรู้กันทุกคนมันจะต้องตายอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าไม่คิดล่วงหน้ากันไว้ก่อนนั่นเองพอพอเกิดขึ้นก็เลยขึ้นหน้าหนึ่งกันแต่คนที่เขาพิจารณาทุกวัน <c oughs> เขาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เนี่ยที่มันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเขาเพราไม่ยอมคิดกันเงี้ยมัวแต่คิดไปหาเงินหาทองคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันยิ่งคิดแต่ทางนี้ก็ยิ่งอยากไม่ตายกันไม่ยิ่งไม่อยากจะคิดถึงความตายกันพอเจอความตายเข้าเพราะฉะนั้นก็ตกใจกลัวขึ้นมาทันทีเดินทางคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะชินชามันจะเฉยได้นี่คือปัญญาทางพุทธศาสนา ต้องคิดจนกระทั่งใจเราเฉยกับสิ่งที่เราคิดได้เฉยกับความจริงที่จะเกิดขึ้นกับเราได้<ม>ถ้าไม่คิดถ้ายังไม่เฉยก็ยังไม่เป็นปัญญา<ม>ก็ต้องคิดต่อไปบางทีคิดไปแล้วมันก็เฉยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพอก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้เฉยให้ได้ถ้าใจเฉยจากสมาธิแล้วจะทาให เฉยจากปัญญาได้ง่ายอาจจะไม่ต้องพิจารณาบ่อยเ mm hmm. พียงแต่พิจารณาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอรู้เออเข้าใจละยอมรับได้เพราะทำใจเฉยได้ยัง mm hmm. ต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถึงจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้มีใครอยากถาไมไหม ลาที่นั่งสมาธินานนะคะถ้าปวดขาให้ก็เนี่ยถ้าเราอยากจะผ่านความเจ็บเราก็ต้องอย่าไปขยับมันมอย่าไปขยับมันอยู่กับมันหัดชอบมันเสร็จอย่าไปเกลียดมันที่เราอยากจะขยับเพราะเราไม่ชอบมันถ้าเราชอบมันเราก็จะไม่ไม่ไม่ไม่อยากจะทิ้งมันใช่ไหมของอะไรที่เราชอบนี่เราจะอยู่กับมันได้ีด ย, แยแต่มันจะถึงจุดนึงที่มันจะปวดแล้วคือแบบ คนไม่ไหวทนไม่ไหวเอ้ยที่ทนไม่ไหวเพราะเพราะเพราะอยากจะให้มันหายไงถ้าไม่อยากให้มันหายมันก็จะทนไหววิธีง่ายๆก็คืออย่าไปคิดถึงมันตอนนั้นให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปคิดท่องพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมความเจ็บนั้นแล้วความเจ็บนั้นมันก็จะลดลงไปเพราะความเจ็บส่วนใหญ่มันเกิดจากใจเราไปขยายมันขึ้นมาเพราะความอยากให้มันหายยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งใหญ่ขึ้นมาใหญ่ ถ้าเราไม่ไปอยากเราอยากไปสนใจมันเหมือนเวลาเรานั่งดูหนังเนี่ยบางทีปวดฉี่ก็ไม่ยอมลุกเลยเพราใจเราดูหนังมันอยู่คำหนังมันก็ไม่ปวดใจแ่าเราต้องมีเรามีหนังให้มันดูเราต้องใช้สวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นเหมือนหนังสวดไปเอติพิโสผักกาลังสัมมาตะวะกาโตสวดปฏิปันโนสวดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วเดี๋ยวความเจ็บเนี่มันจะหายไปเรื่อยเบาลงไป ชาก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมนี่คือวิธีที่เราจะต้องศึกษาไม่ได้สู้กับมันศึกษาอยู่กับมันอย่าไปสู้กับมันศึกษาวิธีอยู่อย่าไปสู้กับมันอย่าไปอยากให้มันหายใช่ศึกษาวิธีอยู่กับเขาให้ได้ที่เราอยู่กับเขาไม่ได้เพราะเราเกลียดเขาอยากให้เขาหายหน้าหายตาไปเหมือนกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยอยู่กับเขาไม่ได้ใช่ไหม ก็อยากจะให้เขาหายหน้าหายตาไปในชะ่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจทำหมเปลี่ยนไปชอบเขามันก็อยู่กับเขาได้ mm hmm. นั้นเราต้องมาสลับกันมาชอบในสิ่งที่เราเกลียดแล้วมาเกลียดในสิ่งที่เราชอบแล้วใจเราจะได้มาอยู่กลางได้พออยู่กงกลางแล้วเราก็สบายเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราใช่ไหมพอเขาพอเขาไปเราก็เสียใจถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็อยากจะให้เขาไป พอเขาไม่ไปเราก็เสียใจแต่ในที่สุดเขาก็ต้องไปไปช้าไปเร็วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของที่เราชอบหรือไม่ชอบเพราะมันไม่เที่ยงมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปงั้นเราต้องยอมรับกับเขาเขาจะมาก็ให้เขามาเขาจะไปก็ให้เขาไปและวิธีที่จะอยู่กับเขาได้ก็คือเวลาเข้ามาก็ชอบเขาเสียเวลาเขาจะไปก็เกลียดเขาเสียพอเวลาเาคนที่เราเกลียดไปเราก็ดีใจสบายใจ <c oughs> เอาว่าไงเอาทางบ้านไหมาทางนี้หมดได้ยัง <c oughs> มีใครอยากกระถามอยังไหมไม่ถามเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามนะรเนค่ะข้อสัญงยที่ข้อศิละปะศิลปะตะปลามาอันนี้คือประเด็นตอนนั้นเจ้านายเขาบอกว่าเขาเนื่องไม่ใส่เครื่องรางเพราะว่า <c oughs> เขาจะถึงศีลข้อ ศีลป์รพรตัลลมากก็คือวิธีการต่างๆที่จะทําให้เราสบายใจเวลาเราไม่สบายใจเราไปหาหมอดูกันใช่ไหมให้หมอดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงอัหาที่จริงของความไม่สบายใจก็คือความอยากของเราเองดังนั้นคนที่เขามีปัญญาของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าความไม่สบายใจของเขาเกิดจากความอยากเขาก็จะมาแก้ที่ความอยาก ฉนอยากรวยแล้วไม่รวยก็มีแต่ความไม่สบายใจแต่พอมีปัญญาก็พิจารณาว่ามันไม่รวยจะทาไงนะก็ยอมรับว่ามันไม่รวยก็ไม่รวยอย่าไปอยากให้มันรวยมันก็มันก็หายแล้วก็มาแก้ที่ใจคนที่เขาเห็นอริยสัจสี่เขาไม่ต้องไปแก้ที่อื่นก็ามาแก้ที่ใจหลายคนที่ไม่เห็นอริยสัจ ส, สีก็จะไปแก้ที่อื่นเช่น ชีวิตไม่ดีไม่เจริญนุ่งเรืองก็ไปหาหมอดูมั่งไปหาพิธีสะเดาะเเคราะทําอะไรต่างๆนะฮะพวกนี้อทั้งหมดก็เหมือนกันก็ใช่ห้อยไว้เพื่อความปลอดภัยไงเพืสบายใจไม่อยากตายไงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุก็ต้องก็ต้องกดล็อกพวกมันไม่ต้องปวดมันปลดไปด้วยอัตโนมัติเพราะมันเป็นของไร้สาระมันมันมันดับทุกข์ไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ ถ้าคนใส่พระก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีลว่าอย่า ง, งั้ไหอ๋อไม่ได้ผิดศีลคือในว่าไม่ได้แก้ปัญหาถูกจุดเนี่ยความทุกข์อยู่ที่ความอยากเราความอยากไม่ตายทําให้เราต้องห้อยพระกันนะความอยากไม่เจ็บก็ต้องห้อยพระกันออกรถใหม่ก็ต้องไปให้พระเจออย่างนี้ไอ <c oughs> <ต>้โ น, น, น, น, น้ห้อยเพื่อเพื่อนนึถึงปฏิปทาของขันธ์ได้ได้ห้อยอย่งงางนั้นได้ก็เลังใจอ่าได้ห้อยอย่างงั้นถูก ที่มีพระให้ห้อยคอเพื่จะให้เราเตือนเราทําความดีกันไม่ใช่มาคุ้มครองเราพระเองยังคุ้มครองไม่ได้มันดีหายไปก็ได้ใบวางไว้ในห้องน้ําถอดเข้าห้องน้ํำลืมวางไว้หายเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั่นคือเจตนาที่แท้จริงของการมีพระพุทธรูปมีพระอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้ละเลิกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าละเลิกถึงปฏิภา ปฏิปทานดีงามของ พ, พ, พระพุทธเจ้าก็ร เ, กร เ, กร เ, กเราจะได้เอามาเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตของเราร่ า, า, างท ร, นนรน ง, งนี่มันเป็ น, นปเร<ล>าก็ <ละ S 2> ไม่อยากที่จะไปอะไรเขาแต่เราตามหลักทฤษฎีของการปฏิบัตินี้ไม่ไม่มีใครมาทรงร่างเราได้หรอก จิตใครจิตมันไม่มีจิตซ้อนจิตได้ไม่ใช่จิตของเท้ามาหาพรหมลงมาผ่านร่างเรานี้ไม่มีหรอกเป็นความเชื่อของคนนั่งเองและของคนที่ไปหาเขาทำไมเขาดูแลอีแม่นมันก็ดูร้อยคนมันก็ต้องถูกสักคนหนึ่งแหละ <laughs> ไอ้คนไม่ถูกก็ไม่ได้พูดอะไรกัน เวลาเราเทศนี่คนเขาก็บอกถูกใจเขาโดนใจเขาทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรแต่เราพูดมันก็ตรงประเด็นทุกทีเนะี่ยเพราะปัญหาของคนมันก็อยู่แค่นี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากนี่ก็ลก เ, กเลยมาทางนี้ไงค่ะ <laughs> คือมันไม่ได้แก้ปัญหา <laughs> ที่ต้นเหตุเนี่ยเขาก็ให้ไปทํานู่นทํำนี่ให้สบายใจว่าได้ทําแล้ว นจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ไม่ได้ก็หาวิธีใหม่ต่อไป <c oughs> คนอื่นมาชวนให้ไปหาหมอแบบนี้ก็ไป <c oughs> ปัญหาอยู่ที่ความไม่สบายใจของเรานี่อยู่ที่ความอยากของเรา <c oughs> ถ้าหยุดความอยากได้แล้วไม่รวยก็มีความสุขได้มีความสุขมากกว่าคนรวยท <c oughs> พรพะรวยแล้วก็อยากจะรวยขึ้นไปใช่ไหม เราอยากจะรวยนานๆพอมันจะเริ่มจนก็ทุกข์ขึ้นหมาอีกนะแต่ถ้าไม่มีความอยากรวยและสบายอยู่แบบคนจนได้สบายอยู่ง่ายกว่าอยู่แบบคนรวยอยู่แบบคนรวยนี่ต้องดิ้นหาเงินมันถึงจะรวยได้อยู่แบบคนจนนี่ไม่ต้องดิ้นอยู่แบบขอทานนี่สบายเช้าก็เอาบาตเข้าวัด <c oughs> เข้าบ้านไปพอแล้วได้บาทหนึ่งก็พอล ว, วันละบาต อ่าตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ทางบ้านมีเข้ามาได้ยังเยอะมคตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่ละสามร้อยสี่สิบสองค่ะเข้าถึงเท่าไหร่สามสีามแสนสี่เลยเข้าถึงก็คือสามวินาที อย่างไรก็แบบให้เขาผ่านตาขาาางหน้าเขาก็อยากเข้ามา<ต>ดูบอยเบอรมีเวลาเขาอาจจะเปิด<ช>ดูก็ได้<ช>แต่คนรับชนนี่ยอดประมาณห้าหกพันนะถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆก็ถึงหมื่นก็ได้ถึงหมื่นไนะ่มถามได้เลยให้ถามทางบ้านถามบ้างคำถามจากข้อความทางคณะสิทธิถูกแฟนทิ้งไปเพราะป่วยตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มีภาวะอยากฆ่าตัวตาย พอมีทางไหนจะช่วยรักษาใจได้บ้างไหมคะก็เ น, นี่ยแหละก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็คงจะต้องสร้างมันขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้เทศตลอดเวลาเนี่ยอยากให้แฟนอยู่กับเราพอเขาไปก็เสียใจพราะเราไม่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าเราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าเขาไปเราก็จะไม่เสียใจพอเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดเหมือนถ้าเรารู้ฝนจะตกเราก็เตรียมตัวแล้ว วันนี้ไม่ไม่จัดงานนอกบ้านนะถ้าจะจัดงานก็จัดในบ้านพอฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นคนพยากรณ์อากาศ น, นูคอยบอกลงหน้าแล้วฝนจะตกนะอย่าไปทําอะไรข้างนอกน ะ, เ, ะเขาจะทิ้งเรานะอย่าไปยึดอย่าไปติดกับเขานะถ้า ว, วันหนึ่งเขาจะต้องจากเรานะแต่เรายังไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ยึดอยูอนะ่นะั้นอ่ะพอเขาไปก็อยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมนาะ ก็บอกให้เขาเปลี่ยนใจที่ว่าคนมีตั้งแสนเป็นล้านทำไมต้องมาเสียใจกับคนคนเดียวอ่ะวันนี้ไปก็หาคนใหม่ก็ได้ถ้ายัางอยากจะมีแฟนอยู่อย่างต้องไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาอ่ะเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้แฟนอยู่กับเราท่านนั้นเองฆ่าตัวตายความอยากนี้ก็ยังอยู่ก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิม โทษจากการฆ่าตัวตายนี่หนักแค่ไหนครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยออมันม จ, ะจะรับกรรมหนักอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์คือความฆ่าตัวตายมันก็จะทําให้ใจเราร้อนเป็นไฟนรกขึ้นมามันก็จะไปตกนรกแล้วมันก็จะเป็นนิสัยที่จะแก้ปัญหาแบบนี้ไปทุกครั้งเวลาเสีย อ, อกเสียใจแก้ปัญหาโดยวิธีอื่นไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายกันมันก็จะติดเป็นเป็นนิสัยเขาถึงบอกฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วจะกลับมาฆ่าตัวตายห้าร้อยครั้ง พอไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาอย่างอื่นี่พอพอแก้พอมีความทุกข์ใจแ ก, แก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเวลาฆ่าตัวตายจิตก็ร้อนเป็นไฟเป็นนรกขึ้นมาก็พอตายไปก็ไปตกนรกพอพ้นจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเจอปัญหาใหม่เจอความทุกข์ใหม่แก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายใหม่มันก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนาหรือเจอคนที่เขามีธรรมะสอนว่า ทำใจเถอมันเรื่องธรรมดาพอเราไม่ช้าก็เราก็ต้องจากกันป mm hmm. ัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราไปอยากให้เขาไม่จากเราเท่านั้นเอง mm hmm. เขาก็จากไปแล้วเราทําไมไปอยากทําไม mm hmm. ถ้าเรายังอยากจะมีแฟนใหม่ก็หาใหม่ก็ได้ไม่ต้องเยอะแยะไป mm hmm. แค่นี้มันก็จบแต่ที่หาแฟนใหม่ไม่ได้ก็เพราะเป็นอมภารไม่ใช่แล้ว mm hmm. นี่ก็ลืมคิดไปล่วงหน้าว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราคิดไว้ลหน้าก่อนเราจะได้หาหาทางออกมาแก้วิธีแก้หาเรายังสามารถหาความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราไม่สามารถใช้ร่างกายได้เรายังสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ไม่นั่งนั่งก็ได้นอนก็ได้ทําใจให้สงบก็จะมีความสุขได้แล้วมีความสุขดีกว่าความสุขผ่านทางร่างกายนี่ยังเขาไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาถ้าเขา เข้าวัดบ่อยๆศึกษาบ่อยๆแล้วฝึกขัดปฏิบัติบ่บอยๆเวลาก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เขาก็ใช้ธรรมะแทนใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาแทนใจก็มีความสุขมีความสงบได้เหมือนพวกคนที่เข้าวัดเนี่ยเข้าวัดคนเข้าวัดนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายหาความสุขนะไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ทําอะไรทางร่างกายแนละ้วก็ทําทางจิตใจมาสวดมนต์เพื่อมาเจริญสติมานั่งสมาธิทําใจให้สงบ ใจสงบก็มีความสุขแล้วถึงแม้ไม่ได้กินข้าวเย็นก็มีความสุขแล้ตอนที่กินข้าวเย็นสิความสุขจากการกินข้าวเย็นกับความสุขจากความสงบนี่สู้สู้ไม่ได้สู้ความสงบไม่ได้เฉะนั้นก็ยังไม่สายเกินไปนะตอนนี้ก็กลับมาพุโทโธพุโทโธมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาพิจารณาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว จะไปอยากให้มันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วปรับตัวเราให้อยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้ถ้าใช้ร่างกายหาความสุขไม่ได้ก็ใช้ธรรมะหาความสุขแทนเจริญสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวใจก็สงบเย็นสบายไม่เดือดร้อน มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ได้เกิดใหม่ในทางธรรมก็ได้ครับอาจารย์ใช่บางทีต้องมีวิกฤตเนบางคนต้องมีวิกฤตถึงจะเข้าหาธรรมได้อย่างที่เขามีคําพูดอยู่เลยว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดถ้าคนเราไม่มีความทุกข์มันก็จะไม่ใช้ปัญญาหาวิธีออกจากความทุกข์ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ฆ่าตัวตายไปเป็นทางออกแต่ถ้าคนที่มีปัญญาก็อาจจะมา คิดพิจารณาเอาธรรมะถ้าไม่มีก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะแก้ปัญหาได้ความทุกข์ใจนี้มันอยู่ที่ความอยากนี้เท่านั้นเองถ้าเราเปลี่ยนใจได้ว่าอะเขาไปแล้วก็าไม่มีวันกลับมาแล้วอ ย, อย่าไปอยากให้ากลับมาแค่นี้ก็หมดเรื่องอยู่คนเดียวก็ได้ไม่จะเดือดร้อนเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ใช่ไม เราเกิดมาเรามีแฟนติดตัวมากันหรือเปล่าเห็นไหมก็มาคนเดียวอ่ะทำไมตอนนั้นอยู่ได้เล้พอตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช้ไม่ใช้ปัญญาคิดอยคําถามจากคุณก้อยข้อที่หนึ่งถ้าเจริญสติต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับไปทั้งวันใจมีความสงบและมีความเป็นอุเบกขาอยู่เช่นนี้จะทํา จะเป็นเหตุทำให้สมาสมาธิจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่ครับก็ต้องนั่งหลับตาถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่จิตจะไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธิจะได้ความความไม่ฟุง้งซ่านได้ความสบายใจแต่ยังไม่รวมยังไม่นิ่งเต็มร้อยถ้าอยากจะให้นิ่งเต็มร้อยต้องนั่งหลับตานั่งขัดสมาหลับตาแล้วก็จเจริญสติต่อไปอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่ง พอรวมแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วจะนั่งอยู่อย่างนั้นได้นานเป็นชั่วโมงก็มีข้อที่สองแล้วจะมีวิ ธ, ธีตรวจสอบตนเองอย่างไรว่าเรามีสัมมาสมาธิและจิตตั้งมั่นค่ะนี่แหละก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้ได้เป็นอุบเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดปรุงแต่งมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวง อันนี้เราจะรู้เหมือนกับคนที่กินอาหารเนี่ยจะรู้ว่ากินอิ่มหรือยังถ้ามังม่งมัวแต่มานั่งถามว่าอิ่มเป็นยังไงนั่งไปถามไปล้อชาติก็ไม่รู้ว่าอิ่มเป็นยังไงแต่ถ้ากินปป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้เองว่าอิ่มเป็นยังไงยังถ้าอยากจะรู้ว่าเรามีสมาธิตั้งมั่นหรือไม่เราก็ต้องนั่งหลับตาแล้วให้จิตรวมลงแล้วพอจิตนิ่งสงบตั้งมั่นเราก็จะรู้เองอ๋อนี่เป็นอย่างนี้เอง คำถามจากคุณโดเรมอนข้อที่หนึ่งลูกช่วยงานที่บ้านแต่ลูกชอบไปทําบุญกับครูบาอาจารย์เช่นไปทําบุญกับหลวงตาหลวงปู่ลีหลวงปู่ปปอุทยัยแต่ลูกมักโดนดุว่าไม่ทําการทํางานลูกควรทําอย่างไรเจ้าคะก็ทําทั้งสองอย่างไม่ใช่เลยไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปทําบุญอย่างเดียวก็แบ่งเวลาไปสิส่วนเขาจะพูดยังไงก็ห้ามปากเขาไม่ได้เราก็ ทำงานไปเวลาว่างจากการทำงานเราก็ไปทำบุญของเราข้อที่สองเวลาขับรถไกลๆลูกชอบขับเงียบๆแล้วกําหนดพุดโธไปด้วยเป็นการเจริญสติหรือเปล่าเจ้าคะแล้วจะสงบได้ถึงไหนเจ้าคะเอาเวลาขับรถนี้ควรจะมีสติอยู่การขับรถเป็นหลักอย่าไปอยู่กับพุดโทรนะ เพราะว่าเดี๋ยวพูดโทแปลงกิตมันรวมลงเดี๋ยวทิ้งรถเลยเนี่ยคำถามจากคุณนุหากมีคนที่เขาท้อแท้ไม่มีกําลังใจเนื่องจากมีปัญหาครอบครัวไม่เข้าใจกันลูกทำตัวไม่ดีไม่เชื่อฟังปัญหานี้เหลือรังมานานส่วนตัวเขาเป็นคนดีเป็นคนกระตันยูเขาก็เข้าใจและรักษาธรรมะ แต่ไม่สามารถเอาหลักธรรมมาแก้ไขปัญหาได้จึงยอมแพ้ต่อปัญหาจนแทบไม่อยากอยู่ต่อเราจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างคะถ้าเรารู้ความจริงก็บอกเข้าไปว่าความทุกข์ของเขาอยู่ที่ความอยากของเขาให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านนีงแล้วพอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ใจเราต้องยอมรับว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อย่างที่เปรียบเทียบว่าคนเราก็เป็นเหมือนผลไม้ชนิดต่างๆบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นมะละกอแต่ถ้าเราอยากไปให้เขาเป็นแตงโมนี่เราก็จะเสียใจเราจะผิดหวังดังนั้นต้องปล่อยให้เขาเป็นไปเขาเป็นกล้วยก็ให้เขากล้วยเป็นกล้วยไปเป็นแตงโมก็ปล่อยเขาเป็นแตงโมไปถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นแล้วจะผิดหวังทีนี้ที่เสียใจก็เพราะไม่ได้ดังใจอยากดนั้นเราต้องมองความจริงอย่าไปมองความอยาก อยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากปัญหาพวกเรานี้ไม่ยอมอยู่กับความจริงกันชอบอยู่กับความอยากอยู่กับความเพ้อเพ้อฝันกันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะเป็นความเพ้อฝันความจริงไม่มองกันว่ามันเป็นอย่างนี้มันตีกันอยู่ทุกวันนี้ไปอยากให้มันรักกันได้ยังไงใช่มมันจะตีกันก็ให้มันตีเดี๋ยวมันเหนื่อยมันเจ็บมันก็หยุดเองแหละคาถามจากคุณกุ้ง ได้นั่งสมาธิปล่อยใจให้สงบนั่งไปได้สักพักเห็นนิมิตเหมือนท้องฟ้าที่มืดวิ่งไปเรื่อยๆกับแสงสว่างที่วับๆที่วิ่งหมุนเข้าออกแบบนี้อยากกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะถือว่านั่งสมาธิได้ถูกทางหรือยังคะเอานั่งแบบนี้ไม่ถูกนั่งต้องมีมีอะไรกากับใจมีลมหายใจหรือมีพุทโธกากับใจไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วก็ปล่อยให้จิตมันจินตนาการสร้างภาพอะไรต่างๆขึ้นมา และนั่งนี้ต้องควบคุมใจควบคุมความคิดควบคุมการจินตนาการของใจเพราะว่าเป้าหมายของเราต้องการความว่างต้องการต้องการความสงบต้องการความนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรกํากับใจมันจะไม่นิ่งเราต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือไม่เช่นนั้นก็โดยรวมหายใจเข้าออกไม่ต้องรวมกันไม่ต้องปนกันเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้ชอบดูก็ดูนมถ้าชอบท่องก็ท่องพุโทโธบางทีคนไปเอาทั้งสองอย่างมารวมกันแล้วยิ่งทําให้วุ่นวายใหญ่แทนที่จะสงบกลับไม่สงบพอมันมัวแต่ไปยุ่งกับพุทเข้าโทออกอย่างเอามันอย่างเดียวดีกว่าในในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้สอนพุทธเข้าโทออกท่านสอนโนมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวไม่ได้สอนให้มาปนกัน คนไม่ทราบใครไม่ทราบมามาสอนให้เอาปนกันก็เลยเอากันใหญ่แล้วก็ไม่มีใครบอกว่าได้ผลทักคนนี้เ <c oughs> ข้าวทว อ, อเอาอย่างเดียวดีกว่านะถ้าชอบเพ่งชอบดูก็ดูลมไปถ้าชอบท่องก็พุโทโธไปแล้วจิตก็จะว่างจะเย็นจะสงบจะรวมเป็นหนึ่งได้แต่อย่านั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาแล้วก็นั่งดูไปแล้วเดี๋ยวเห็นแสงเห็นสีเห็นรูปเห็นภาพอะไรขึ้นมา ก็ค ว, ว่านั่งได้ผลแล้วไม่ได้นั่งสมาธิเขาเรียกนั่นงจินตนาการ <c oughs> นั่งเพอ้อฝัน <c oughs> หนูมีนิดนึงค่ะ <c oughs> เพราะ <c oughs> พาะอาจารย์พูดถึงเรื่องเรื่องมหายใ จ, จยอะ่ะหนูมีปัญหาเรื่องเวลานั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจเข้าออกอะปกติก็เหมือนหายใจเป็นแต่พอนั่งสมาธิเหมือนกลายเป็นคนหายใจนิ่เป็นขึ้นมาทันทีหายใจรดติดกลายเป็นรู้สึกอ๋อไม่เครียดขึ้นมาเครียดกิเลสมัน อย่าไปใช้นมหายใจตอนต้นก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ว่าสวดมนต์จากหนังสือก็ได้หรือว่าฟังจากควรควรถ้าอย่าถ้าจะนั่งสมาธิสวดมนต์อย่าอย่าอย่าเปิดหนังสือต้องหลับตาต้องต้องท่องบทที่เราจําได้ไม่ต้องยาวก็ได้แต่สวดมันวนไปวนมากลับไปกลับมาพอใจตอนนี้มันยังไม่ไม่นิ่งพอเวลาดูลมมันก็เลยเครียดขึ้นมาก็สวดให้มันให้มันมนิ่งหน่อย ให้มันเบาพอมันเบาแล้วพอเราดูลงได้แล้วก็ดูลงไปหรืวจะฟังเทศไปก่อนก็ได้เปิดเทศฟังไปกล่อมใจให้มันเบาหน่อยความคิดตอนนี้มันยังแรงอยู่มันก็เลยดูลงไม่ได้เพราอมันจะไปนู่นมานี่พอไปดึงให้มันดูลง ม, มันก็เลยเครียดขึ้นมาก็ให้มันฟังเทศแทนหรือให้สวดมนต์ไปแทนก่อนสวดไม่ต้องออกเสียงก็ได้นั่งในท่า น, นั่งในท่านั่งสมาธิเลยแล้วก็สวดไปภายในใจแทนที่จะใช้พุโทโธแทนที่จะใช้นมก็ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจะรู้สึกว่าเบาเย็นสบายอยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดแล้วก็ดูลมต่ อ, อต่อมาคาถามจากคุณวชิราภรลูกชอบเข้าวัดทำบุญแต่พ่อแม่ไม่ชอบเวลาลูกไปวัดพ่อแม่ก็บน่นชวนท่านไปท่านก็ไม่ไปหรือถ้าไปก็ ก็ไปบ่นในวัดจะแก้ไขยังไงเจ้าคะก็ต่างคนต่างอยู่สิเขาไม่ชอบไปก็อย่าไปชวนเข้าไปคำถามจากคุณหนูพระบางท่านสอนเน้นเรื่องฌานเช่นกสินนะกะสิ น, นะานเพื่อให้จิตมีกำลังเป็นเพราะจริตนิสัยท่านชอบแบบนั้นใช่ไหมคะไม่ทราบว่าถูกตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าคะ ถูกเพราะวิธีที่จะทําทใจให้เป็นฌานเป็นสมาธินี่มี40วิธีด้วยกันการดูลมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งการบริการพุทโธก็วิธีหนึ่งการดูกสินก็คือดูสีให้เรากําหนดสีขึ้นมาภายในใจเช่นเราชอบสีแดงเราก็นึกถึงสีแดงหลับตาแล้วก็นึกอยู่กับสีแดงพยายามมองสร้างสีแดงให้เกิดขึ้นมาในมโนภาพแล้วก็รักษาสีแดงนั้นไว้ไปเรื่อยๆมันก็จะทําทให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่น มันจะทําให้เราเพ่งอยู่กับที่สีถ้าเพ่งไป น, นานๆมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเพ่งดูลมหายใจแต่มันอาจจะยากกว่าเพราะคนจะต้องมีกําลังสร้างสร้างสีขึ้นมาภายในใจตอนต้นเขาก็บอกให้ดูสีด้วยการลืมตาก่อนถ้าเราจะใช้สีแดงแล้วก็หาสีแดงกระดาษสีแดงมาวางไว้ข้างหน้าดูแล้วก็นึกถึงภาพถึงสีแดงนะั้นแล้วก็หลับตาแล้วนึกมันขึ้นมาถ้ายังนึกไม่ออกก็ดูดใหม่ กลับมาใหม่วิธีนี้มันจะยากเลยไม่ค่อยมีใครสอนกันส่วนอยากจะสอนแบบง่ายๆพุโทโธนี่ง่ายที่สุดก็เลยใช้พุโทโธมันเพราะใครๆก็พุโทโธได้นะดูลม น, นี่มันยังอาจจะยากกว่าห็นมันมีตั้ง4ี่สิวิธีถ้าลองไปศึกษาดูาแต่เดี๋ยวว่ามาพูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดมากไปเดี๋ยวยิ่งทำให้คนฟังสับสนใหญ่ครูจะวิธีไหนดี ก็เลยเอาวิธีเดียวพุโทโธไปง่ายที่สุดแต่ถ้าอยากจะไปศึกษาได้เนี่ยไปค้นในก๊บในอินเทอร์เน็ตก็ได้เกียนว่ากรรมฐาน40เนี่ยกรรมฐานนี้ก็คืออารมณ์40ชนิดที่เราใช้ในการทำใจให้สงบคำถามจากคุณติ๊งน้อยเวลาทำสมาธิเปิดเสียงเทศ พ, พ่อแม่ครูบาจารย์ไปด้วย จิตภาวะผะวงค์ไปด้วยอย่างนี้ลูกทาถูกหรือเปล่าคะไม่ถูกหรอกถ้าจะนั่งสมาธิก็อย่าไปเปิดเสียงธรรมนอกจากว่าเรานั่งสมาธิไม่ได้เราต้องการเสียงธรรมกล่อมใจก่อนเราก็เปิดฟังไปแล้วก็ตั้งใจฟังอย่าไปอย่าไปพุดโทแข่งกับการฟังธรรมเอาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าจะฟังธรรมก็ไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุดโทถ้าจะดูลมหรือพุทโทก็อย่าไปเปิดธรรมฟัง คำถามจากคุณจอผมเก็บอัฐิแม่ไว้ที่บ้านหลังจากทำบุญร้อยวันแล้วจะดีไหมครับเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับอะไรที่เขาชอบก็เอาไว้ที่วัดครับคือเรื่องกระดูกของคนตายนี่เราจะทำอะไรก็ได้จะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้จะเอาไปลอยอังคารในทะเลก็ได้ อย่างอัฐิของแม่ของน้องตานี่ท่านก็เอาไปโปรยอยู่ใต้โคนต้นโพในวันท่านบอกเอาไปบูชาบูชาพระพุทธเจ้าที่วันในวันนี้จะมีต้นโพอยู่ต้นนึงอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในส่วนที่พักของพระเวลาวันที่ท่านทําชาปนกิจเสร็จตอนเช้ามือก็ให้เขาเก็บขี้เท่าเก็บพวกเศษกระดูกเนี่ยไปไปไปโดยใต้โ ค, คนต้นโพ กลายเป็นปุ๋ยไปกลายเป็นต้นโพไ ป, ไปแล้วแต่อันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวใครอยากจะทำแบบไหนก็ทำไปแต่ธรรมเนียมของพุทธศาสนานี่มีมาตั้งเดิมก็คือถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าของพาอาาระอรหันต์นี่เขาจะนิยมสร้างเจดีย์บรรจุเอาไว้เพื่อจะได้เป็นอนุสรณ์สถานให้เป็นที่เจริญพุทธานุสติธรมานุสติสังขานุสติ บุคคลที่เขาจะสร้างเจดีหรือศัตรูไว้เก็บอัตตนี้มีอยู่4ชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระปเจกพระพุทธเจ้าสามพระอรหันต์และสพระมหาจักรพรรดิเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความยิ่งใหญ่มีความสําคัญทั้งในทางโลกและในทางธรรมที่เขาสร้างอนุสรณ์สถานเข้ามหาจักรพรรดิเพื่อให้คนได้เรียนรู้ว่าเนี่ยคนนี้เก่งกาจอย่างไร จะได้ไม่คนจะได้ไม่หลงหลืมเช่นเดียวกับที่เราสร้างเจดีเนี่ยสร้างเพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือของของพระอาหารหันตสาวเพื่อให้เราได้รู้ว่าครั้งหนึ่งมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถที่ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปมาเกิดมันก็อาจจะทำให้ผู้ที่มาอนุชนรุ่นหลังสนใจศึกษาว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเขาเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างไร เขาก็จะไปค้นคว้าหาความรู้ทางหนังสือก็ได้เมื่อค้นคนวนา้าแล้วเาอาจจะสนใจอยากจะเป็นขึ้นมาเองก็ได้เขาก็จะไปปฏิบัติต่อได้นี่คือเจตนาของการที่สร้างอนุสรสถานให้ไว้สำหรับอนุชนุ่นหนังได้ได้ศึกษาได้รับประโยชน์คำ ถ, ถามจากคุณพัชผู้เป็นประธานผ้าป่ากรรมการ และผู้ร่วมทำบุญปัจจัยตามกำลังศรัทธาอันนี้ส่งต่างกันอย่างไรคะก็ไม่ต่างกันหรอกอยู่ที่เงินที่จ่ายนะั่นแหละขายจ่ายมากก็อันนสงก็ได้มากขารจ่ายน้อยก็ได้น้อยถ้าขายเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้บาปไปคาถามจากคุณวาสนาถ้าเราเดินจงกรมในห้องพระได้ไหมคะถ้ามีที่เดินก็เดินได้ที่ไหนก็เดินได้ทั้งนั้น คำ ถ, ถามจากคุณพีูถ้าเราฝึกสมาธิแต่จิตเรากลั ว, วผีควรทําอย่างไรเจ้าคะก็อย่าไปคิดถึงผีพยายามอยู่กับพุทโธอยู่กับบทสวดมนต์เวลาพอคิดกลัวผีก็ให้รีบสวดบทพร่อพุทธคุณพื่ธรรมคุณเพื่อสังฆคุณไปสวดไปจนกว่าใจจะสงบไม่คิดถึงเรื่องผีแล้วก็จะรู้ว่าความกลัวผีเกิดจากใจเราไปคิดถึงมันเองพอเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็หายกลัว แล้วต่อไปก็จะรู้จักวิธีแก้แก้ความกลัวผีเวลากลัวผีก็สวดนมนต์ไปหรือพูดโทรไปอย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องผีแล้วเรื่องผีมันก็จะหายไปนี่คืออุบายอย่างหนึ่งสําหรับคนที่นั่งสมาธิเฉยๆแล้วมันไม่สงบต้องไปหาที่น่ากลัวนั่งเป็นไปนั่งตามป่าช้าที่มีผงมีผีพ อ, อไปนั่งปั๊บจิตมันจะคิดถึงผี พอคิดถึงผีกลัวก็เลยรีบส่วดมนต์รีบนั่งสมาธิกันพอนั่งสมาธิปั๊บจิตก็สงบต้องต้องมีเหตุการณ์บังคับให้ให้นั่งถ้าไปนั่งที่ปลอดภัยมันก็เออละเหยพุโทโธคำแล้วก็คิดถึงนู่นคิดถึงนี่ไปแต่ถ้าไปที่ไหนมีผีนี่มันจะไม่กล้าคิดเลยมันจะอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวคําถามจากคุณสุริยา วันนี้ผมภาวนาพุโทโธแล้วจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านผมจึงเปลี่ยนเป็นวิธีสวดกิตติปิโสแทนปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับถ้าสงบก็ใช้ได้คำถามจากคุณหนูถ้านั่งสมาธิแล้วปวดขามากแต่ไม่อยากขยับแต่ท่องพุโทโธเร็วขึ้นแรงขึ้นเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดทำได้ไหมครับได้นั่นแหละวิธีที่ถูกก็คือบริกรรมให้มันถี่ขึ้น เพไม่ให้ใจมีช่องไปคิดถึงความเจ็บพอไม่ไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะไม่มาลบกวนใจพอเราไปคิดถึงมันแล้วเราอยากให้มันหายมันก็เลยลบกวนใจเราพอเราไม่คิดถึงมันเราก็เลยไม่มีความอยากให้มันหายมันก็เลยไม่ลบกวนใจเราคําถามจากคุณพอลูกลองนั่งสมาธิแต่เหมือนจะเป็นการบังคับให้ลมหายใจเข้าออกลูกควรปฏิบัติอย่างไรครับ ออการนั่งดูลมนี้ไม่ควรไปบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติเราเพียงต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราไปบังคับลมนี้เราก็ควรที่จ ะ, จะใช่อย่างอื่นไปก่อนอย่างที่เมื่อกี้บอกให้ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดไปยจงกระทั่งใจมันเบาแล้วมันมันไม่ไปทําอะไรแล้วค่อยดูลมตอนที่นั่งใหม่ๆใจมันยังอาจจะ อยากจะจ็กกี้ชาว ก, การกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอดูลมก็จะไปบังคับลมเข้าอย่างนี้ก็อย่าไปดูลมให้ให้ท่องพุโทโธไปก็ได้ให้สวดมนต์ไปก็ได้คํถาถามจากคุณกุ้งต้องการนั่งสมาธิให้ถูกวิธีจําเป็นสมควรต้องไปหาพระอาจารย์ผู้รู้แนะนําสอนถึงสถานที่ก่อนที่จะมาฝึกปฏิบัติที่บ้านด้วยตัวเองหรือเปล่าคะมันก็ศึกษาได้สองวิธีถ้ามีหนังสือ เราอ่านแล้วเข้าใจเราปฏิบัติเองได้ก็ไม่ต้องไปในเบื้องต้นนะแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วเริ่มมีความรู้มีเริ่มมีผลเริ่มมีอะไรไม่เริ่มมีมีความสงสัยก็อาจจะต้องไปหาผู้รู้ให้อธิบายให้ฟังแต่ถ้ามีหนังสือที่สามารถที่จะตอบคํามสงสัยต่างๆที่เราได้ก็ใช้หนังสือไปก็ได้แต่ถ้ามีครูอาจารย์ที่เก่งที่ชนานาญก็ดี พาท่านจะได้สอนเราได้อย่างถูกต้องและถ้าเรามีปัญหาท่านก็จะแก้ปัญหาให้กับเราได้คำถามจากคุณสุวรรณครั้งหนึ่งผมนั่งพิจารณาร่างกายพอถึงระยะหนึ่งร่างกายเบามีปิติเกิดขึ้นสุขใจชั่วคราวมีลักษณะเหมือนจิตแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณ <c oughs> พอออกจากสมาธิไม่รู้สึกปวดเมื่อยเลยเป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมครับ ก็ถือว่าถูกต้องแหละเพราะถ้าใจสงบใจสบายใจมีความเมตตานี้ก็เป็นเป็นผลที่เกิดจากความสงบของใจคําถามจากคุณหนูเวลาที่ภาวนาพุทโธ ท, ทีถีรวมหายใจต้องเล่งตามด้วยไหมเจ้าคะเนี่ยแหะอย่าไปใช้ลวมหายใจกับพุทโธนะเพราะรมหายใจเราไปเล่งมันไม่ได้ <c oughs> เราต้องปล่อยมันเป็นไปธรรมชาติอย่างเวลาที่เราต้องการบริกรรมถี มันก็จะใช้กับลมไม่ได้ถึงบอกว่าเอาลมอย่างเดียวหรือเอาพุโทโธอย่างเดียวดีวกว่าคําถามจากคุณสี่เมืองการที่เราเป็นลูกหลานชาวจีนแต่เราไม่ได้ไหว้บรรศาสตร์จีนจุดจีนแต่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแทนแบบนี้บรรพบรุษจะได้รับแทนไหมคะ อ, อ๋อบรรพบรุษไม่ได้รับจากการกระทําที่เราไปไหว้เขาเหรอก บรรทมบุญจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําบุญให้ทานและเราอุทิศบุญที่เราทํานี้ให้กับเขาไปถ้าเขาเดือดร้อนและเขารอรับส่วนบุญนี้อยู่เขาก็ได้รับแต่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขามีบุญของเขาเขาก็ไม่ต้องมารับบุญที่เราแผ่ไปให้เขาแต่การไหว้เจ้าไหว้บิดามารดานี้เป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณของบิดามารดามากกว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีแต่ความจริง จะจะจะได้ผลดีต้องทำในขณะที่พ่อแม่ยังอยู่ไปไหว้ที่พ่อแม่ตายแล้วพ่อแม่ไม่ได้รับประโยชน์ถ้าอยากจะให้พ่อแม่ได้รับประโยชน์คนจะไหว้ตอนที่พ่อแม่ยังอยู่ซื้อของที่ไหว้ไหว้พ่อแม่เนี่ยไปซื้อให้พ่อแม่กินได้ตอนที่พ่อแม่อยู่เนี่ยกินได้ไม่ไม่ซื้อไปแต่พอเวลาพ่อแม่ตายแล้วก็ไปซื้อให้กิน ไม่ใช่ละซื้อแล้วคนซื้อจะได้กินเองมั้งอยากจะกินอะไรก็ไปซื้อให้พ่อให้แม่พอจุดทูบพอจุดทูบหมดแล้วก็เอากลับบ้านกินได้ฉันไม่ได้อะไรหรอกจากการว่านอกจากว่าอาจจะเป็นอุบายของคนโบราณให้พี่น้องมาเจอกันมารู้จักกันแล้วก็มาสอนให้มีความกระตันอยู่ต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่สอนลูกหลานว่าอันนี้ฉันมี ความกตัญญูกับพ่อแม่ฉันมาไหว้พ่อแม่เขาก็จะทำแบบเราเนี่ยเขาก็จะรอให้เราตายก่อนก็ถึงจะมาไหว้แต่ถ้าเราไหว้พ่อแม่ตั้งแต่ที่พ่อแม่ยังอยู่ลูกนานเห็นเข้าเขาก็จะไหว้เราคาถามจากคุณพิชชาภาหากใจเรามีความปรารถนาที่แท้จริงแน่นอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ความประมาทจึงมีกรรมเก่า ทำให้ปัจจุบันเคยผ่าัผ่ากระดูกสันหลัง3าครั้งผ่าสีสามครั้งแล้วไม่รู้จะมีผ่าอะไรอีกหรือเปล่าลูกได้สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิมาตั้งแต่อายุ19ทํ้าทำมาได้28ปีแล้วเจ้าค่ะและลูกทำงาน28ปีหาเลี้ยงครอบครัวมีหนี้สินมากแต่ในใจอยากปฏิบัติทําให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตลูกจะควรทาอย่างไรดีเจ้าค่ะ ก็ต้องพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปแล้วก็ลดการกิจกรรมอย่างอื่นให้น้อยลงไปเช่นวันพระลองมาถือศีลแปดดูจะได้มีเวลาทำกิจกรรมทางทางาศาสนาได้เต็มที่อย่างน้อยก็หนึ่งวันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยถ้าปล่อยให้อยู่แบบที่เคยอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปมันก็จะไม่มีการพัฒนาการ พอเราทําทุกอย่างเนี่ยทำทั้งทางศาสนาทําทั้งทางโลกพนกันไปถ้าเราอยากจะไปในทางศาสนาเราก็ต้องเพิ่มกิจกรรมทางศาสนาให้มีเพิ่มมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระไว้ไงให้เราได้หยุดการทํากิจกรรมทางโลกเพื่อเราจะได้มาทํากิจกรรมทางศาสนากันคําถามจากคุณจักรี ถ้าภาวนาแล้วเกิดความสบายใจแต่ไม่รู้อะไรถูกทางไหมครับก็ได้ระดับหนึ่งก็ได้ความสบายใจที่เรียกว่าสมาธิหรือความสงบแต่มันก็จะมีปัญหาเวลาไปเจอเรื่องราวต่างๆมันก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ถ้าต้องการที่จะให้มันสบายใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้ปัญญาศึกษาปัญญาอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเวลาใจไม่สบายนี้มันจะเกิดจาก ความอยากของเราเราก็ต้องมีปัญญารู้ว่าเวลาเราไม่สบายใจนี้เป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือความอยากและ ว, วิธีที่จะทําให้เราสบายใจไม่มีความอยากก็ veut, คือเราต้องยอมรับความจริงเราอย่าไปอยู่กับความอยากให้อยู่กับความจริงอยากให้เขาอยู่และเขาไป Dew. เราก็ต้องอยู่กับความจริงก็คือเข า, าไปแล้วเขาไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใจอยากการอยากให้เขาอยู่ อยากให้เข้าไปเราอยากให้เขาไปเขาไปเราก็ได้ดังใจอยากเราก็หายทุก์เข้าใจไนี่คือปัญญาดงนั้นนั่งเฉยเฉยนั่งทำใจให้เฉยเฉนี่เป็นขั้นแรกทำใจให้สงบขั้นที่สองก็ต้องเวลาไม่สบายใจก็ต้องใช้ปัญญาค้นหาสาเหตุของความไม่สบายใจว่ามันเกิดจากความอยากของเราแล้วเราก็ต้องเลิกความอยากแล้วก็อยู่กับความจริง อยาให้เขาอยู่แต่เขาไม่อยู่เราก็ต้องเลิกความอยากนั้นไปแล้วก็อยู่กับความจริงก็อยู่กับการที่เขาไม่อยู่เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเลยกี่ข้อเยอะเล ย, ยค่ะเอาสามข้อแล้ว<า>ค่ะคำถามจากพระสุเทพเวลาผมสวดมนต์จิตเริ่มสงบพอหยุดสวดไม่สงบควรแก้ไขอย่างไรดีครับก็สวดต่อไปเลยแล้วนั่งแล้วนั่งดูลมหายใจต่อไปถ้าสวดต้องเมื่อยก็ หยุดสวดก็ได้ดูลมหายใจแทนก็ได้คำถามจากคุณเบอร์นวัวการบริกรรมพุทธโททำการออกเสียงได้ไหมครับเคยลองทำแล้วได้สติไวกว่าแต่ผลคือร่างกายกระหายน้ำมากครับก็ถ้ายังออกเสียงอยู่มันจะสงบได้ยาก <c oughs> เพราะว่าใจต้องมาสั่งให้ร่างกายออกเสียง ني, ถ, ถ้าถ้าอยากจะให้สงบลึกก็ไม่ต้องออกเสียงจะดีกว่า ใช่ใช้ความคิดเฉยๆคิดถึงพุโทโธไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธไปคําถามสุดท้ายจากคุณน้ำแข็ง <c oughs> เคยไปบวชชีแล้วยืนสมาธิยืนไปแล้วรู้สึกร้อนๆเท้าร้อ น, อ น, อนมากเหมือนเหยียบถ่านอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะ อ, อ๋อก็เกิดจากการยืนสมาธินั่นแหละมันเกิดจากเราลองนั่งสมาธิดูดนะี่ยถ้ามันร้อนหมดแล้วใช่ไหมอ๋อเออ มีใครอยากจะถามอีกไหมปิดท้ายแล้วปิดท้ายรายการถ้าไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้ค่าสุดท้ายสุดท้ายเข้าเลยครับได้เลยครับยันดังครับอาจารย์คะพอดีว่าเคยมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยใกล้ใกล้ถึงวาราสุดท้ายค่ะและจะเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมทีนี้ภาพที่เห็นก็คือญาติจะร้องร้องไห้แล้วคือเราจะห้ามฟังตรงเท่านี้แต่ญาติ ก็เลยกลัวว่าคนไข้าจากไปอาจจะจากไปแบบนีห่วงแล้วก็เราควรจะให้ให้คำแนะนำยังไงคะถึงจะให้ญาติแม่ไม่อยู่ในภาวะโศกเศร้าจนเกินไปหรือว่าให้ให้คนไข้ได้จากไปอย่างสงบก็ให้เขาสวดมนต์ไปแล้วพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรแล้วก็จะไปอย่างสงบถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความ กัวงวลเกิดความโหงใยญัขึ้นมายา ใ, ให้เขาคิดให้สวดมนต์ไปหรือให้พุโทโธไปสวดตัวญาติเหรอคตัวญาติก็เหมือนกันก็สวดไปพุโทโธไปเหมือนกันต่างคนต่างสงบแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ใจมันคิดคิดแล้วมันก็วุ่นขึ้นมานั่นหยุดความคิดเสียนะอ๋อยังอ๋นะอแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้